เจ้าเลนพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่26ตุลาคมพุทธศักราช2554เป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฟังธรรม วันชำระกายวาจาใจให้สะอาดบอยสุดเพื่อความสุขและความเจริญที่จะเป็นผลตามมากายวาจาใจที่ไม่ได้รับการชำระก็จะมีแต่ความเศร้าหอมองมีความทุกข์เหมือนกับร่างกายและเสื้อผ้า ถ้าไม่ได้รับการชำระเสื้อผ้าไม่ได้ซักร่างกายไม่ได้อาบน้ำอาบท่าก็จะไม่มีความสดชื่นเบิกบานดังนั้นใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าเป็นเหมือนร่างกายที่จำเป็นจะต้องได้รับการชำระอย่างสม่าเสมอ อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีความล่มเย็นเป็นสุดปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆสิ่งที่ทำให้กายวาจาใจไม่สาดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอกุศลอกุศลนี้ก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกันทางร่างกายก็มีอยู่สา คือ่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การรักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดประเวณีนี่เป็นอกุศลทางร่างกายถ้าได้กระทำอกุศลเหล่านี้ก็จะต้องเกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมา ถ้าไม่กระทธเช่นวันนี้ญาติโยมได้มาสมาทานสีห้าได้ละเว้นจากการฆ่าสั์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพูพติผิดตัวเองนีอกุสนทางกายก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากอกุสนทางกายนี้ก็จะไม่มีตามมา ส่วนอกุศลทางวาจาหนี้ท่านทรงแสดงไว้สี่ประการด้วยกันคือ 1. การพูดคำหยาบการพูดเท็จ 2. การพูดคำหยาบ 3. การพูดเพ้อเจ้อ 4. การพูดส่อเสียพูดยุยงให้เกิดความแตกสามะคีเป็นคำพูดที่จะทำให้ผู้พูดนั้น มีความเศร้าหมองมีความทุกข์มีความไม่สง บ, บไม่สบายใจดังนั้นถ้าอยากจะมีความสง บ, บใจสบายใจไม่วุ่นวายใจก็ต้องละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการพูดคำยาวละเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อ และละเว้นจากการพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีส่วนอุสน์ทางใจก็มีอยู่สาประการด้วยกันคือ 1. ความโลภสองความโกรธและ 3. ความหลงถ้ามีความโลภความโกรธความหลงภายในใจก็จะทาให้มีความวุ่นวายใจ แล้วนำพาไปสู่การกระทํา อ, อกุศลทางว า, วาจาและทางกายต่อไปถ้าต้องการชำระ อ, อกุศลทั้งสิน์นี้ให้หมดไปอย่างถาวรก็จำเป็นจะต้องชำระที่ อ, อกุศลที่ใจคือความหลงเพราะความหลงนี้เป็นรากเหง้าของ อกุศลทั้งหลายถ้ามีอกุศลคือความหลงแล้วก็จะมีความโลภเมื่อมีความโลภแล้วไม่ได้ดนงใจก็จะเกิดความโกรธพอเกิดความโกรธก็จะไปพูดเท็จไปพูดคำหยาบไปพูดเพิรเจอพูดส่อเสียและจะไปกระทํา บาปทางกายคือจะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดโปรเณีถ้าสามารถควบคุมความหลงได้ก็จะไม่มีความโลภเมื่อไม่มีความโลภ ก, ก็จะไม่มีความโกรธเมื่อไม่มีความโกรธก็จะไม่มีการไปทําบาป ท, ทางกายและทางวาจาดังนั้นถ้าอยากจะชงละ อกุศลทั้ง1ิประการนี้อย่างถาวรก็ต้องมาชำระที่ความหลงโมหะอวิชชาถ้ารักษาศีลก็จะป้องกันลือมเป็นเหมือนกับทำร่วงล้อมคอกไว้เท่านั้นเองแต่อกุศลนี้ก็ยังไม่ตายเพียงแต่ว่าถูกจำกัด บ, บริเวณไว้ไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่นแต่ก็ยังสามารถสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตนได้นะถ้าต้องการไม่ให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเลยและไม่มีวิบากที่จะตามมาต่อไปคือการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ก็จำเป็นที่จะต้องมา แก้ที่รากเหง้าซึ่งเป็นวิธีแก้ที่ถูกต้องเป็นวิธีแก้ที่ถาวรถ้าไม่มาแก้ที่ตรงนี้แล้วก็ยังจะต้องมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจสลับกันไปกับความสุขบ้างเนื่องจากเรายังไม่มีกำลังพอที่จะสามารถควบคุมอกุศลทางกายทางวาจา และทางใจได้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอเวลาใดที่เราขาดสติเราก็จะถูกอำนาจของอกุศลทั้งสิงนี้มาฉุดลากนำพาให้เราไปโลกไปโกรธไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดตัวเองนี้ ไปพูดปดไปพูดทำยาพูดเพื่อเจอาและพูดสองสิ่ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อาการแก้ปัญหาที่ถาวรคือแก้ที่ความหลงความหลงนี้ก็เกิดจากการไม่รู้ความจริงความจริงนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่สามารถรู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุความจริงแล้วนำมาเผยแก่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหลายก็จะไม่มีโอกาสที่จะสามารถชำระอกศุศลทั้งสิบประการให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้แต่ เวลาใดที่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาตัดสรุมาประกาศมาประกาศพระธรรมคำสอนในเวลานั้นก็จะมีสัมโลกเป็นจำนวนมากที่สามารถชำระอกุศลทั้งสิบประการให้หมดไปจากใจของตนไดน้ปรากฏเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ก็เกิดขึ้นจากบารมีของการตัดสรูุของพระพุทธเจ้าเกิดจากบารมีของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราทั้งหลายกำลังได้ยินได้ฟังกันอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรูุและมาประกาศพระธรรมคำสอนพวกเราจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของอกุศลทั้งสิ และวิธีที่จะชำระอากุศรทั้งสิให้หมดไปจากกายว่ า, จาใจของเราได้เลยถ้าเราไม่ได้ชำระผลก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะมีกับเราไปทุกภพกทุกชาติวกชาติของเราก็จะไม่มีวันสึ่งสุดได้เลย แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนแล้วพวกเราทุกคนก็มีโอกาสมีความสามารถที่จะชำระอกุศลทั้งสิบนี้ได้และสามารถตัดพพตัดชาติหรือยุติการเย็ยน่หวตายเกิดยุติความแก่วความเจ็บความตายได้อย่างถาวร ดังนั้นอยู่ที่ตัวพวกเราเองว่าเราจะฉวยโอกาสอั น, อนดีอันเลิศอันประเสริฐนี้หรือไม่เพราะการปรากฏของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งนี้ใช้เวลามากกว่าจะมีสักครั้งหนึ่งและอายุของพระพุทธศาสนาก็มีเวลาไม่ยาวนาน เวลาของศาสนาพุทธในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณ5000ปีด้วยกันหลังจาก5000ันปีไปแล้วก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้อีกไปเป็นเวลาอันยาวนานเป็นกับเป็นกันคำว่ากับว่ากันนี้เป็นเวลาที่เราไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลข เวลาร้อยล้านพันล้านนี้เรายังขอที่จะเขียนได้ด้วยตัวเลขแต่เวลาของกับนี้ยาวกว่าเวเวลาร้อยล้านพันล้านหลายล้านเท่าด้วยกันถึงจะมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาสั่งสอนพวกเราอีกครั้งหนึ่งถ้าครั้งนี้พวกเราไม่ตักัวโอกาสนี้ พวกเราตายไปแล้วโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายและจะต้องใช้เวลายาวนานพอสมควรเพราะเมื่อเราตายไปแล้วเราก็ต้องไปใช้บัพในอบายหรือไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อนเมื่อกลับมาแล้วก็อาจจะเลยเวลา สองพันห้าร้อยปีไปพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในโลกนี้อีกต่อไปก็จะไม่มีใครมาพูดมาสอนเรื่องการชำระอกุศลสิบนี้ก็จะมีแต่ความโลกความโกดความหลงมีแต่การฆ่าฟันลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปฏด พูดคำยาบพูดเพ้เจร์พูดสอเสียนลองไปดูสังคมของผู้ที่ไม่มีศาสนาดูว่าเป็นอย่างไรสังคมของผู้ที่ไม่มีศาสนาถึงแม้ว่าจะอยู่ในประเทศที่มีศาสนาแต่ไม่สนใจที่จะศึกษาเรียนแนะปฏิบัติก็จะเป็นสังคมที่ ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะเป็นสังคมของพวกโจรทั้งหลายพวกโจรนี้เขาจะสนใจแต่เรื่องการกอบโกยเรื่องของความโลภเรื่องของความโกลียดก่อโกยแล้วก็ต้องแก่งแย่งชิงดีต่อสู้กันกัดกันเป็นเหมือนสุนัขใช้วิธีประการต่างๆใชยทั้งเลขใช้ทั้งกล ใช้ทัาการทุจริตใช้วิชามารต่างๆสังคมของโจรจึงเป็นสังคมที่มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความวิตกกังวลความหวาดกลัวแต่ในสังคมของผู้ที่มีศาสนาอยู่ในใจจะเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข จะมีความเมตตากรุณามีมุดิตามีอุเบกขาไว้เป็นธรรมที่จะพฤตธปฏิบัติต่อกันอยู่ด้วยกันก็จะมีความปาฐนิปาถนาดีให้กันและกันปาถนาให้มีความสุขปาถนาให้อยู่ร่มเย็นไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจถ้ามีความทุก กายทุกใจก็จะมีความกรุณาความสงสาร <c oughs> ไม่ดูดาย <c oughs> ไม่เห็นแก่ตัวไม่เสียดายในทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองหรือที่อยู่อาศัยมีผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดรอ้อน <c oughs> ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกันไปตามอัตภาพ <c oughs> ถ้ามีผู้ อื่นได้รับความสุขความเจริญได้ดิบได้ดีก็จะอนิโมทนามุติตาจิตไม่มีความอิจฉาริษยาต่อความสุขและความเจริญของผู้อื่นถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ทําอะไรไม่ได้จิตใจก็จะไม่ว้าวุ่นขุ่มัวเศร้าโศกเสียใจ เพราะจะมีอุเบกขาไว้คอยดูแลรักษาใจถ้าช่วยไม่ได้แก้ไม่ได้ปัญหาก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแต่จะมีอุเบกขาทมนี้ไว้รักษาใจให้สงบให้เย็นให้มีความสุขท่า ม, ามการความเดือดร้อนวุ่นวายรอบตัวถ้ามีธรรมะแล้วจะไม่มี ความทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะทุกข์แสนสาหัสขนาดไหนก็ตามใจสามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ถ้ามีอุเบกขาธรรมอยู่ในใจทั้งหมดนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการชำระความหลงความหลงนี้ต้องแก้ด้วยธรรมะคือความจริงคือคำสอนของพระพุทธเจ้าความหลงคืออะไร ความหลงก็คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกลมจากเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเราต้องมาแก้ตรงนี้แก้ที่ความหลง ต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยมแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีสุขมีทุกข์สลับกันไปเรื่อยๆมีเกิดมีตายมีเจริญมีเสือ่อมแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆ ที่อยู่นอกกายเราหรือร่างกายของเรนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นดินน้ำหล่ไสยที่พวกเราได้มาครอบครองไว้ชั่วระยะหนึ่งไม่นานร่างกายนี้ก็จะต้องยุติการทางานพอยุติแล้วธาตุทั้งสี่ที่รวมอยู่ในร่างกายนี้ คือดินน้ำลมไฟก็จะต้องแยกออกจากกันไปน้ำก็จะกลับไปสู่น้ำลมก็กลับไปสู่ลมไฟก็กลับไปสู่ไฟดินก็จะกลับไปสู่ดินเพราะนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้เห็นแล้วได้นำเอามาสั่งสอนให้แก่พวกเราให้พวกเรา พยายามสอนใจให้เห็นความจริงนี้ให้ได้ถ้าเห็นความจริงนี้ได้ตลอดเวลาใจของเราก็จะไม่ถูกความหลงหลอกให้ไปหลงยึดติดให้ไปอยากให้อยู่ไปนานๆให้ไปอยากให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีการตาย ถ้ามีความหลงหลอกให้คิดอย่างนี้ใจของเราก็จะว้าวุ่นขุ่นมัวทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ท, ทันทีแต่ถ้าเรามีความจริงสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรอยู่ไปตลอดไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็จะไม่ยึดไม่ติดจะไม่อยากให้เป็นอย่างอื่น เราก็จะไม่ทุกข์ใจเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเพราะเราไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เองเราเป็นใจใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายใจของเรานี้มาเกิดมาได้ร่างกายแต่เราล่างนี้นับไม่ท้วนแล้วและก็จะไปหาร่างกายใหม่ต่อไปแล้วก็จะไปหลงยึดติดกับร่างกายใหม่ แล้วก็จะไปทุกกับร่างกายใหม่เหมือนกับที่เราทุกกับร่างกายนี้อีกต่อไปถ้าเราไม่เห็นความจริงถ้าเราไม่สอนให้ใจเราเห็นความจริงอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เวลาใดที่เราคิดถึงความจริงได้เวลานั้นเราจะไม่ทุกข์ใจแต่เวลาใดที่เราเผลอแล้วลืมไปถูกความหลงมาหลอก เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีดังนั้นเราต้องพยายามสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่หลงลืมถ้าไม่หลงลืมแล้วก็สแสดงว่าเราจะรู้แล้วรู้เห็นตลอดเวลาแต่ถ้าเรายังหลงลืมอยู่เผลได้อยู่ก็สแสดงว่าเรายังสอนใจไม่พอเพียง ดังที่ผู้เจ้าทรงสอนพระอนุ์ว่าให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ให้คิดว่าถ้าไม่หายใจออกก็ต้องตายหายใจออกถ้าไม่คิดว่าถ้าไม่หายใจเข้าก็ต้องตายให้สอนให้คิดอย่างนี้ไปจนจำได้จนไม่ลืมจนรับความตายได้ จนรู้ว่าจะต้องตายอย่างแน่นอนและปล่อยวางได้ปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะตายก็ปล่อยให้เขาตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นเพียงเป็นผู้มาครอบครองเท่านั้นร่างกายก็เป็นเหมือนบ้านเราเป็นเหมือนคนอาศัยบ้านอยู่ถ้าบ้านจะต้องพังน้ำจะต้องท่วงเราก็ย้ายบ้านได้ เราก็ไปอยู่ที่อื่นได้เราไม่ได้ท่วมเราไม่ได้ตายไปกับบ้านร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่ได้สูญหายไปกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะการยึดการติดนี้จะทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจเป็นอย่างมาก เรามีปัญญามีธรรมะคอยสอนอยู่ตลอดเวลาเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างสบายพร้อมที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามวาระของเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถที่จะป้องกันหรือแก้ไขได้เราก็ปล่อยให้เกิดขึ้น แต่เราไม่ต้องไปทุกข์ไปเดือดร้อนกับเขาเพราะความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาแต่อย่างใดไม่ได้ไปห้ามไม่ให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือความทุกข์ทรมานใจความวุ่นวายใจต่างๆเราสามารถห้ามมันได้ถ้าเราทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ ใจจะเป็นอุเวขาได้ก็ต้องมีธรรมะคือมีปัญญาสอนใจใจจะมีปัญญาได้ก็ต้องสงบก่อนต้องมีสมาธิก่อนถ้าใจไม่สงบจะมีอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นวัวที่จะทำให้ไม่สามารถเห็นความจริงได้พิจารณาความจริงได้ไม่อยากจะคิดถึงความจริงเช่นความตายเป็นต้น ถ้าใจเรายังไม่มีความสงบเราจะไม่อยากจะคิดถึงความตายความเสือ่อมคิดถึงการพัดพรากจากสิ่งต่างๆไปเพราะเราเพอใจถูกความหลงโมหะครอบงำอยู่ทำให้อยากจะอยู่กับสิ่งต่างๆไปนานๆไปตลอดแต่ถ้าเรามีสมาธิทาใจให้สงบได้โมหะความหลง ก็จะสงบตัวลงชั่วคราวทำให้เรามีโอกาสมีช่องว่างที่จะสามารถพิจารณาความจริงได้พอเราพิจารณาความจริงได้ต่อไปความจริงเหล่านี้ก็จะฝังอยู่ในใจเราพอฝังอยู่ในใจได้อย่างตลอดเวลาเราก็จะไม่หลงหลืมเราก็จะสามารถ ดับความหลงต่างๆได้แก้ความหลงต่างๆได้ทำให้เราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากกับสิ่งต่างๆเมื่อไม่อยากกับสิ่งต่างๆใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆแต่ก่อนที่เราจะมีสมาธิได้เราก็ต้องมีสติก่อนสตินี้เป็นตัวที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ เป็นเหมือนเชือกที่จะดึงลิงให้เข้ากลมได้ถ้าเราไม่มีเชือกคล้องคอลิงเวลาเราจะจับลิงเข้ากลมนด้วยมือปล่านี้เราจะไม่สามารถจับมันได้เพราะมันจะวิ่งเร็วกว่าเราวิ่งตามจับลิงเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะจับลิงเข้ากลมได้ฉันใดใจที่ไม่มีสติก็จะไม่สามารถสงบเป็นสมาธิได้ จำเป็นจะต้องมีสติไว้ดึงใจให้เข้าไปในสมาธินะวิธีที่จะสร้างสติขึ้นมาก็คือต้องดึงใจไว้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับท่านสอนให้ดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายผูกใจไว้ติดกับร่างกายเป็นเหมือนฝาแฝดกันร่างกายอยู่ตรงไหนให้ใจอยู่ตรงนั้น อย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นส่วนใหญ่ใจเรามักจะไม่อยู่กับร่างกายตลอดเวลาจะอยู่เป็นวัฏพักเป็นพักๆแล้วก็จะไปที่อื่นไปคิดถึงเรื่องน้ำท่วมที่กรุงเทพไปคิดถึงวิธีอนาคต ว, ว่าต่อไปจะอะไรจะเกิดขึ้นจะทำอย่างไรใจของเราจะไม่อยู่กับร่างกายอยู่เรื่อยๆ เ, เราต้องพยายามดินไว พยายามสอนใจว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ตรงไหนให้เราอยู่ตรงนั้นนอกจากถ้าเรามีความจำเป็นต้องคิดก็ให้นั่งเฉยๆแล้วคิดให้พอคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรจะรับกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรพอเราคิดเสร็จแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่ร่างกายเราร่างกายเราต้องทำอะไรเราก็เฝ้าดูเป็นเหมือนยามเฝ้านับโทษ อย่าให้นักโทษนี้คลาดจากสายตาไปถ้าใจเราอยู่กับร่างกายอย่างต่อเนื่องแล้วใจก็จะมีเชือกผูกดึงเอาไว้พอเวลาเรานั่งสมาธิให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือให้บริกรรมพุทโธใจก็จะไม่ไปที่อื่นจะอยู่กับลมหายใจจะอยู่กับการบริกรรมพุทโธ ไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอพบกับความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่อันเลิศอันประเสริฐที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เหนือกว่าความสุขที่ได้ลับเงินทองเป็นร้อยล้านผันล้างก็จะไม่มีความสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้พอพบกับความสงบความสุขอันนี้แล้วก็จะไม่เดือดร้อน กับเรื่องราวต่างๆเรื่องภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยภายนอกเช่นน้าท่วมหรือแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวหรือภัยของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายภัยเหล่านี้จะไม่สามารถมาทำให้ใจที่มีความสงบนี้เดือดร้อนได้เลยนี่แหละคือที่พึ่งของใจ ธํามังสา ร, รนางกชามิอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความสงบอยู่ที่สังกังสา ร, รนางกชามิคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่พุทธังสา ร, รนางกชามิคือการยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับของการปฏิบัติของพวกเราพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างเค่งครัดอย่างเข้มแข็ง และอดทนอย่างเอาจริงเอาจังพวกเราก็ต้องปฏิบัติเช่นนั้นแล้วผลอันดีอันเลิศคือสาระที่พึ่งทางใจก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอนดังนั้นในช่วงนี้ที่มีเรื่องราวต่า ง, างๆที่มาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับจิตใจของเราพวกเราจึงควรที่จะทุ่มเทเวลา ที่เรามีว่างอยู่นี้ให้กับการสร้างสรรณะทางใจขึ้นมาด้วยการชำระอกุศลทั้งสิบนี้ด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางภัยต่างๆรอบตัวเราการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา